ไม่ใช่ปัญญาเมื่อสองสามปีที่แล้วปรากฏเรื่องอืดเฉาเกี่ยวกับพระไทยในหนังสือพิมพ์ต่างประเทศพระมีข้อวัดปฏิบัติ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 ไม่ปฏิบัติตามพระวินัยทำตัวเลวไหลและนักข่าวก็รู้ดีว่าความเรียบร้อยของพระดีๆน่าเบื่อเมื่อเทียบกับเรื่องอื้อเฉาของพระเลวไหลในช่วงที่เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอาตมาคิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่อาตมาจะสารภาพ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 อาตมามีาเรื่องจะสารภาพมันไม่ง่ายนักหรอกเมื่อหลายปีมาแล้วอาตมาเรียรรอสักพักแล้วอาตมาจึงพูดต่อเมื่อหลายปีแล้วอาตมาใช้เวลาช่วงที่มีความสุขที่สุ ด, สดในชีวิต แล้วอาตมาก็หยุดชะ ง, งักอีกครั้งในที่สุดอาตมาก็สารภาพออกมาว่าอาตมาใช้ช่วงเวลาที่มีความสุข ท, ที่สุดในชีวิตในอ้อมแขนที่อุ่นได้อายรักของพันรยาชา ย, ชายอื่นเราโอกอดกันเราลูบไล้กันเราจูบกัน อาตมากล่าวจบพร้อมอาการคอตกและตาก้มต่ำมองพรหมเบื้องล่างอาตมาสามารถได้ยินเสียงะหนกตกใจจากญาติโยมบางคนยกมือปิดปากที่อ้าค้างด้วยความช็อกอาตมาได้ยินเสียงกระซิบว่าโอ้ยท่านอาจารย์พรหมก็เอากับเขาเด้อเหรอ อาตมามองเห็นภาพบรรดาโยมที่อุปถากวัดมานานพากันเดินออกจากประตูไปโดยที่จะไม่หวนกลับมาอีกแม้แต่ขารวาสก็ไม่สมควรทำกับภรรยาของชายอื่นมันเป็นการผิดลูกผิดเมียเขาอาตมาตั้งศีรษะขึ้นตรงมองไปยังผู้ฟังอย่างมั่นใจและยิ้มหญิงคนนลัน อาตมารีบอธิบายก่อนที่ใครสักคนจะเดินออกจากประตูไปหญิงคนนั้นคือแม่ขอ ง, ข อ, งอาตมาเองและเหมือนครั้งที่อาตมาอยางเป็นเบบีบบนะ่นะ ดาผู้ฟังของอาตมาระเบิดวรร อ, ออกมาอย่างโล่งใจนี่เรื่องจริงนะอาตมาผููดังๆใส่ไมโครโฟนสู้กับเสียงวรรนั้นเธอเป็นเมียของชายอื่นพ่อของอาตมาเองเรากอดเราลูบไหลเราจูบกันมันเป็นช่วงเวลาที่อาตมามีความสุขที่สุดในชีวิตช่วงหนึ่งทีเดียวเฉยหลัง เมื่อบัรดาผู้ฟังปาดหน้าตาทิ้งและหยุดหัวเราะอาตมาได้ชี้ประเด็นว่าพวกเขาเกือบทุกคนได้ตัดสินอัตมาอย่างผิดพลาดไปแล้วแม้ว่าพวกเขาจะได้ฟังเรื่องราวจากปากของอาตมาเองและความหมายของข้อความเหล่านั้นชัดเจนมากแต่พวกเขายังสามารถโดดไปสู่บทสรุปที่ผิดพลาดได้ โชคดีโดยแท้ที่ครั้งนี้เป็นแค่เรื่องที่อาตมาตัต้งใจลอเล่นอาตมาตจึงสามารถชี้ให้เห็นถึงความคิดเห็นที่ผิดของพวกเขาได้อาตมาตถามขึ้นว่ากี่ครั้งกี่หนแล้วที่เราไม่ได้โชคดีเช่นนี้และได้ด่วนสรุปจากหลักฐานที่ดูเหมือนว่าแน่นอนนัก